การเทศสำหรับหลวงตาเองรู้สึกว่าหนักมากในการเทศเป็นมาถึงเวลาร่วมห้าปีนี้แล้วเทศสอนประชาชนชาวพูทเราทั่วประเทศไทย <c oughs> เป็นมาตั้งแต่ปีห้ารสี่สบเอ็ด เลื่อยมากรงทางบัตรนีและเวลานี้ก็กระจายไปถึงเมืองนอกเมืองนาเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตที่เทศในเมืองไทยของเรานี่ <c oughs> ออกไปทั่วโลกเวลานี้แม้ที่สุดเขาก็ได้ฟังสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันกับเมืองไทยเรานี่แหละ ในขณะที่ร้องตาอยู่วัดป่าบันตาเทศตอนเช้าเขามีเครื่องรับอยู่สถานที่นั้นแล้วก็ฟังทั่วถึงกันที่สหรัฐ <c oughs> ขณะที่เราฟังที่เราเทศเขาก็ฟังเช่นเดียวกับผู้ ฟังอยู่ใ น, นบนในสลาวัดป่าบันต่านั่นฟังสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกัน <c oughs> เขามาขอฟังตลอดมีเครื่องอะไรก็ไม่ทราบเลยรับกันอยู่ที่สลาวัดป่าบรรจ่นานั้น แล้วเขาก็ได้ฟังสดๆร้อนๆเหมือนกันกับพวกเราฟังอยู่ที่สาวัตรป่าบันตานั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้ า, ายัางเราเราอย่างที่พวกเราเราท่านท่าน ได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นกันธรรมดาเรื่องธรรมก็กลายเป็นธรรมดาไป <c oughs> ใครอยากจะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้อยากฟังก็ได้ไม่อยากฟังก็ได้ฟังอัดฟังธรรมในกลายเป็นอิสระของกิเลสไปเสียหมด มันไม่มันไม่เป็นธรรมภายในใจให้ถ้าเราได้ปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วมันจะมีความเข้มข้นขึ้นภายในใจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเ <c oughs> ฉพาะอย่างยิ่งการฟัง ธรรมะสดสดร้อนร้อนจากท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้เห็นภายในจิตใจจริงๆทอดออกมา <c oughs> สดสดร้อนร้อนผู้ให้ผู้ฟังและยินได้ฟังกัน จ, จิตใจจะรู้สึกมีความดูดดื่มในขณะที่ฟัง จนกระทั่งกลายเป็นใจที่สงบแน่วแน่ลงได้ในขณะฟังเทศส ด, สดร้อนๆ น, นั่นแหละมีประการหนึ่ง <c oughs> ประการที่สองเราไปนำไปปฏิบัติด้วยกิจตะภาวนาของเราที่บ้านเดือนหรือสถานที่ใดก็ได้ด้วยความสังรวมระวังใจที่เคยคิด เคยปรุงในเรื่องต่างๆไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นให้สงบลงด้วยการภาวนา <c oughs> โดยมีบทธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจหรือเป็นน้ำดับไฟคือความคิดความปรุงนั้นเป็นลำดับลำราไป <c oughs> เช่นเรานั่งภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจ ใครกับธรรมบทใดในบรรดาบทธรรมที่นำมาบริกรรมภาวนา <c oughs> เช่นพุทธโธหรือธรรมโมรหรือสังโฆหรืออนาปานาสติเป็นต้นบทใดก็ตามที่นอกเหนือจากนี้ไปแล้วเราถูกกริษฐิสัยของเราในธรรมบทนั้นๆเราก็นำเข้ามาบริกรรม เป็นเครื่องกล่องใจของเรา <c oughs> เพราะจิตนี้ตามปกติจะมีชิดมีปรุงตลอดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจะเปิดเครื่องความชิดความปรุงตลอดไปจนกระทั่งหลับการดับเครื่องของคนทั่วทั่วไปจะดับลงได้ด้วยเวลาหลับ ถ้าไม่หลับก็ต้องคิดต้องปรุงเรื่อยๆ เ, เปิดเครื่องไปเรื่อย <c oughs> เครื่องสังขารคือความคิดความปรุงนี้มันออกมาจากธรรมชาติทันทนี <c oughs> ที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักคิดนักปรุงด้วยกันก็ไม่ทราบว่าความคิดความปรุงนี้เป็นไปจากอะไร มีอะไรเป็นสาเหตุให้คิดให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยทั้งเขาทั้งเราเราจะไม่ทราบสาเหตุของความคิดปรุงนี้เลย <c oughs> แต่หลักอันใหญ่หลวงที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจนั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือความมัวหมองมืดตื้มันครอบอยู่ภายในจิตใจ เนีผลักดันออกมาให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามความต้องการของกิเลส น, นั่นแหละความคิดปรุงของสัตว์โลกจิงไม่มีเวลายับยั้งตั้งตัวได้หรือดับความคิดนี้ได้เป็นการเป็นเวลามีแต่ความคิดความปรุงไม่ว่าจะคิดในเรื่องใดความอิ่มพอของความคิดความปรุงนี้ไม่มี มีจะอยากคิดอยากปรุงไปเรื่อยๆคิดเรื่องนี้แล้วต่อเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เป็นสายยาวเยียดของีิเลสที่ผลักดันออกไปให้คิ ด, ใ ห, คดให้ปรุงต่างๆทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ <c oughs> นี่ท่านเรียกว่าความคิดปรุงของสังขารที่ออกมาจากสมุทยัยคือกิเลส เป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงไว้ในธรรมบท <c oughs> ปัจจัยการว่าอาวิชชาปัจจยาสร้างข่าราสร้างข่าราปัจจยาวิญญาณาังเป็นต้นคืออวิชชาคือ <c oughs> ความไม่รู้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเป็นรากฐานทสงกัน ให้ผลักดันความชิดความปรุงออกมาในแง่ต่างๆความชิดเหล่านี้จึงกลายเป็นความชิดของสมุทยัยเป็นเครื่องมือทำงานของกิเลสโดยลำดับลำดาไปไม่เหมือนความชิดของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วซึ่งไม่มีอวิชชาเป็นเครื่องหนุนหลังชิดออกไปก็เป็นขันร้วนร้วนอ่า เพราะอาวิชชาไม่มีเครื่องหนุนให้เป็นสังขารสมุทัยขึ้นมาก็เป็นความคิดธรรมดาธรรมดาไม่มีความเป็นพิษเป็นไทยหนุนออกมาคือกิเลสนั่นแหละตัวฟืนตัวไฟผลักดันให้คิดความผลักดันให้คิดออกมาจากความอยาก หนุนอยู่เรื่อยๆหนุนอยู่ตลอดเวลาไม่มีหน้าแรงหน้าฝนตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ <c oughs> นี่ท่านเรียกว่าสังขารของสมุทยัยสัตว์ทั้งหลายจึงชิดใต้ด้วยกันเป็นอัตโนมัติเพราะสมุทัยคือกิเลสเมื่อไม่มีธรรมเข้าไปคัดค้านต้านทานหรือยับยั้งกันไว้บ้าง ความชิดความปรุงซึ่งเป็นสมูทไทยนี้จะชิดจะปรุงไปเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติของตนเรียกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เฉพาะอย่างยน่งหัวใจคนย่นเข้ามาก็คือหัวใจเราใจท่านที่เป็นชาวภุดนี่แหละ หมุนให้ชิดให้ปรุงอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ากิเลสทางานโดยอัตโนมัติของมันการทำงานของกิเลสไอัอัตโนมัติก็เป็นการสร้างความทุกข์ความลำบากความกังวลวุ่นวายขึ้นมาภายในจิตใจของเราโดยอัตโนมัติไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เช่นเดียวกันนี่เรียกว่ากิเลสทางาน โดยอัตโนมัติของมันแต่เราเองผู้ที่รับเป็นความคิดความปรุงจากความปลักดันของมันก็ไม่ทราบว่าตัวคิดตัวปรุงเป็นอัตโนมัติไปตามีิเลยไม่มีใครทราบได้เลย <c oughs> นี่แหละเรื่องทางกิเลยท่านผู้เป็นชาวพุทธทั้งหลายใอ้ทราบเสียบ้างว่าีิเลสคืออะไร กิเลสนั้นเกิดอยู่ที่ใจของสัตว์โลกทำก็เกิดอยู่ที่ใจของสัตว์โลกไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของกิเลสและธรรมเลยมีจิต ด, ดวงเดียวนี่เท่า น, นั้นเป็นที่เกิดที่อยู่และที่ทํางานของกิเลสและธรรมคือภายในใจของสัตว์เองแต่เมื่อ เรายังไม่เคยศึกษาอบรมอัดทมเลยนั้นจึงมีอตั้งแต่เรื่องความคิดปรุงของทิเลยทํางาน อ, อัโดยอัตโนมัติของตนโดยถ่ายเดียวโลกทั้งหลายชิดอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวความชิดนั้นเป็นที่เลยชิดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้น เหมือนสุงที่ไหลลอยไปตามน้านั่นแหละนี่กิเลสผลักดันไปก็ลอยไปตามกิเลสที่ผลักดันให้คิดเรื่องในเรื่องในก็คิดเรื่องเป็นเรื่องอัตโนมัติของกิเลสนี่แหละตัวสาคัญที่เป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดตายเกิดตา ย, ตายอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยเพราะกิเลสตัวนี้เอง แล้วชิดรวงส่วนมากจะมีแต่ความไม่ดีเป็นไปตามทางของเกล็ชิดแง่ไปทางความโลภ ก, ก็ไม่มีหยุดมีถอยความโกรธความเสียดชัดชไม่มีหยุดมีถอยความคิดไปทางราคะตัณหาความทะเยอทยานดิ้นดินของใจก็ไม่มีฝั่งมีฟ้าคิดเลื่อยเอยไปอย่างนี้ท่านเรียกว่ากิเลสทางาน บุญหัวใจของสัตว์แล้วก็กอบโปยขนทุกข์เข้ามาเผาตัวเองตลอดไป <c oughs> นี่เมื่อคิดออกมาในแง่ใดที่เป็นความต้องการของจิเลนเราก็มหมุนไปตามความคิดของจิเลน การอยากทำอยากพูดก็หมุนไปตามพิเรที่อยากให้ทำให้พูดก็จำต้องพูดต้องทำไปตามแถวแนวของพิเรศซึ่งเป็นส่วนหยาบส่วนต่าและเป็นภัยแก่ตัวเองตลอดไปนี่เป็นเช่นนี้เมื่อไม่มีทำเป็นเครื่อง ท่านต้านทานไปแล้วชิเลสจะทำงานบนหัวใจของสัต์โลกแล้วพาหมูนไปให้เกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นๆตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่ทำไว้มากน้อยส่วนว่าชิเลสจะไม่พาชิดพาปรุงให้ไปทำคุณงามความดีหรือรักศีสาศีลรัก ษ, กษาธรรมประการใด แต่จะหมุนไปเลยทางที่นอกเหนือไปจากธรรมและหมุนไปทางที่เป็นข้าสึกต่อธรรมและเป็นข้าสึกต่อตอนไปเรื่อยๆอย่างหนึ่ง น, นี่ท่านเรียกว่ากิเลสในศัพทธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเกิ <c oughs> อดอยู่ภายในใจ ผลักดันปิตใจออกไปให้ชิดในแง่ของกิเลส ด, ด้วนล้วนไปเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจของสัตว์โลกนี่พากันเข้าใจในจุดนี้เอาไว้ถ้ายังไม่ทราบว่าอะไรคือกิเลสก็คือความปลักดันความอยากความหิวโหวย ซึ่งเป็นอยู่ภายในใจิตใจไม่มีเวลาหยุดหย่อนผ่อนตัวบ้างเลยนี่เรียกว่าอารมณ์ของกิเลสทํางานโดยอัตโนมัติของมันบนหัวใจของสัตว์โลกทั่วๆไปนี่แยกออกมาเป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสแสดงอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาทําให้เราพูดไปตามแถวแนวของกิเลส ทำไปตามแถวแนวของกิเลสซึ่งเป็นฆาสกตรทาเรื่อยๆไป <c oughs> สว์โลกผู้มีแต่กิเลสอย่างเดียวจึงทากรรมชั่วได้มากทาไม่หยุดไม่ถอยทาอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติแม้ภายในใจ น, น, น, นั่นแหละที่ตัวทำงานตลอดเวลาของกิเลส กายวาจาที่เราออกมาแสดงอยากเปิดเผยนี่เป็นการเป็นเวลาเช่นพูดไม่ดีพูดกระทบกระเทือนพูดกระแทกแดกดังด้วยความโรกรธกามหโหโตโศของที่เล็ดนั่นแหละพาให้พูดออกมานี่ก็เป็นบางการบางเวลาและทำลายกันตลอดค่าสัตริต์ชกรักปล้นที่ต่างๆเป็นกิริยา แห่งการกระทาของที่เล็กซึ่งพาให้สารโลกทำสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดความถูกเป็นแต่ความพอใจอยากทำเท่านั้นไม่ได้คำหนึ่งว่าเป็นบุญเป็นบาปแล้วส่วนผลก็ไหลเข้ามาสู่ใจของผู้ทำด้วยความพอใจนั่นแหละ แต่เวลาผลกรดงขึ้นมานี้กลับเกิดความเดือดร้อนแก่จิตใจใช่เองใจจึงไม่พอใจที่จะรับทุกขของตนที่คิดที่ปรุงที่ทำขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลส พ, พาให้ทำนั้นๆแล้วก็พากันคิดกันพูดกันทำไปตามแถวแนวของกิเลสตลอดไปโลกนี้จึงเป็นไปจึงเต็มไปด้วยผลของกิเลส ที่ผิดออกมาจากความเพื่อนไหวของตนคือการคิดการพูดการทำซึ่งกิเลสผลักดันออกมาทั่วหน้ากันไปที่ไหนจะหาความสุขความสบายจากกิเลสที่สร้างความสุขให้โลกนั้นจึงไม่ไม่มีหากมีก็มีเล็กๆลน้อยน้อยพอเป็นเหยื่อรออปลาเท่านั้นถ้ามีแต่เหยื่อร้นร้วนปลาก็าไม่ติดเบ็ด ต้องเอาเหยื่อมาติดปลายเบ็ดแล้วล่อปลาปลาตงโงก่ก็ปรินเบ็ดเข้าไปเมื่อตืินเข้าไปแล้วเบ็ดก็เกาปากเลือดจากจากนั้นเขาก็ลากขึ้นใส่เรือทุกหัวปลาบนเรือนั้นเอาไปต้มไปแกงกินนี่ <c oughs> นี่เรียกว่า อที่เลสมันมีเครื่องร่ออย่างเล็กน้อยแล้วให้ทุกเป็นตะเป็นมาตามหลังเรื่อยๆอย่างนี้คนเราถ้าว่าไม่มีเครื่องรอ่อมันมันก็ไม่ดูไม่ดึงที่เลสเป็นตัวฉลาดแหลมผมจึงมีเครื่องรอ่อเครื่องรวมอยากให้สัตว์ทมอยากให้สัตว์เป็นไปตามความหลอกลวงของตนสัตว์ก็เป็นสัตว์โน่ฮะ แล้วก็ทำไปตามพิเลธสร้างความชั่วช้าลามกล้วนแล้วแต่สร้างด้วยความพอใจถ้าทราบว่าความชั่วจริงๆแล้วสัต์จะไม่ทำแต่มันมีความอยากอันหนึ่งว่าจะเป็นอย่างน้จะเป็นผลอย่างงั้นประโยชน์อย่างนี้ไปฆ่าเขามาแล้วจะได้รับความสุขความสบายเช่นไปฆ่าภูฆ้าปรามาก็เลย เอามาแกงกินอร่อยลิ้นชั่วการชั่วเวลาก็เอาแต่เวลาบาปกรรมมันเผาจากการสร้างบาปเพราะการฆ่าปลานั้นไปนานเท่าไหร่ก็ไม่คิดชิแต่ลิ้นเจาปากหวานปากหวานคออร่อยในเวลาที่กินเพราะความหลงหลืมตัวไปตามพิริย ห, หลอกลวงนั้นเท่านั้นก็ได้ นี่และเรื่องชี้เหียกหลอกลวงถ้าธรรมดาแล้วไม่มีเครื่องล่อสัตว์โลกก็ไม่หลงสัตว์โลกก็ไม่อยากทาต้องมีเครื่องล่อทุกอย่างการโขกการลากักการต้นสะดมเขาก็มีเครื่องล่อเหมือนกันอยู่เฉยเฉยจะไปเอาขโมยของเขานี่รู้สึกจะไ ม, ม่มีความมุ่งหมายอยู่ภายในนั้นมีความสู่ความเกลิญนเรียกว่าเรียนลักไปหาด้วย กำลังตีแข้งของตนมันลำบากลำบนไปขโมยเขามาเขาไม่รู้แล้วเขามากินอย่างหวานคอนี่ดีกว่านี่กิเลสก็หลอกไปแบบนี้เราก็ไปขโมยเขามากินรินของขโมยเขามาก็คือกินฝื น, นจินไฟมาเขาหัวใจของเรานั่นแหละนี่ถึงเขาจะจับได้ไม่ได้ไม่สำคัญอันนั้นเป็นเศษเป็นเดนต่างหาผลที่เกิดขึ้น จากการกระทำของตอนนั้นมันเป็นสมบัติของเราโดยตรงใครจะเห็นไม่เห็นไม่สัมผัสการทำทาบาปจิงไม่มีที่แจ้งที่รับแต่ที้เละมันกระซิบกระซาบว่าต้องไปขมโมยไม่เขาเห็นเราไปขมโมยเขาเมื่อเขาไม่เห็นแล้วก็ไม่ถูกจำหนิติโทษว่าเป็นขมโมย เราก็สนุกขโมยเอามากินตลอดเวลาทั้งทั้งทั้ ง, ท, งทั้งที่กินฟืนกินไฟจากบาปจากกรรมของตนที่สร้างมานั่นแหละนี่ยากกิเลสมันหลอกเป็นลำดับรัำดาอย่างนี้ถ้าอยู่เฉยๆสัตว์โลกไม่หลงต้องมีเครื่องหลอกให้อยากทำอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาที่ไหนมีแต่ความกิเลสพาให้อยากให้อยาก คนเราเมื่อหิวโหยไม่ว่าหิวข้าวหิวน้ำหิวข้าวต้องกินข้าวหิวน้ำต้องกินน้ำหิวอะไรหิวหลับหิวนอนต้องหลับต้องนอนนี่เป็นธรรมดานี่กิเลสเมื่อมันหลอกเราหิวในสิ่งใดเราก็ต้องดีดต้องืีนไปตามสิ่งที่เราหิวเช่นเราอยากเห็นอยากดูอยากชมอย่างนี้เราก็ไปตามสิ่งที่เราอยากดูอยากเห็นอยากชม ไปตามความอยากที่กิเลสมันฉุดมันลากไปที่เรียกว่ากิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราและทำงานโดยอัตโนมัติโดยเจ้าตัวไม่รู้เลยว่ากิเลสทำงานสร้างผลประโยชน์แต่ตนและแต่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกตลอดไปนั้นมันสร้างตลอดเวลาเช่นนี้สัตว์โลกก็ไม่รู้ วันนี้ได้ชี้แจงเรื่องอารมณ์ของกิเลสให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะคําว่ากิเลสกิเลสมีฝังตมอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกโ ท, ทั่วไปไม่ว่าสัตว์ตัวใดประเภทใดมีกิเลสฝังอยู่ที่ทั้งนั้นแหละแต่สัตว์เหล่านั้นเขาไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาเหมือนมนุษย์เรามนุษย์เราพอรู้บ้างว่ากิเลสเนี่ยทั้งๆ ท, ที่สัตว์ไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไร มนุษย์เราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นกิเลสกิเลสมีกี่ประเภทแตกแขนงออกไปจากคําว่ากิเลสนั้นมีกี่ประเภทประเภท ใ, ใหญ่ๆท่านก็บอกว่าพื้นฐานของกิเลสอีโมหะความลุ่มหลงรื่นจิตใจของเราไว้ในทํากลางแห่งความหลงเราอยู่ในวงล้อแห่งความหลงความหลงบีบบี้สีไฟ อยู่ตลอดเวลาทีนี้แตกแขนงออกมาก็เป็น <c oughs> ความโลภนะความโลภเป็นยังไงใครก็ทราบด้วยตันความโลภโลภอยากได้ไม่มีประมาณได้มากได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นของดิดของดีดได้ไม่ไม่ว่าผิดว่าถูกขอให้ได้ไม่ว่าที่รับที่แจ้มขอให้ได้ตามใจหวังที่อยากที่อยากที่หิห้วโหยนี่ท่านเรียกว่า มันแตกแขนงออกไปความโกรธความทุนงเฉียวความไม่พอใจเมื่อสิ่งใดมากระทบกระเทือนจิตใจไม่พอใจแล้วยอว่ยอมโกรธย่อมเป็นความโกรธความเชียดแยนดีไม่ดีข้าฟันรันแทงกันก็ได้จนให้คิปหายไปด้วยกันนี่ก็คือความโกรธที่ราคาตันหา คำว่าราคาตันหาได้แากความกำหนัดยินดีในหญิงในชายทั้งสัตว์โลกทั่ ว, วไปมีราคาตันหาเหมือนกันมีตัวผู้ตัวเมียมีหญิงมีชายสัตว์โลกมีความกำหนัดยินดีในสิ่ง น, นี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องไปเรียนไปลงร่ำรงเรียนมาจากที่ไหนมันเป็นหลักธรรมชาติสัตว์โลกเขาไม่มีลงร่โลงเรียน เขาก็มีพืชมีพันุสืบต่อกันมาโดยลําดับอย่างนี้แนหะสัตว์น้ําก็มีเป็นแถวเป็นแนวมามีพันธุ์ของเขาสืบพันธุ์กันมาเรื่อยๆสัตว์น้ําสัตวบบ์บกบนผ้าอากาศมีธรรมชาติคือราคาตั้นหาสิงอยู่ในจิตใจของสัตว์ให้ส่อแสแงหาคูต่ตัวผู้หาตัวเมียตัวเมียก็หาตัวผู้ ผู้หญิงหาผู้ชายผู้ชายหาผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงมีความกำหนัดยินดีซึ่งกันและกันนี่ก็คือราคาตัญหาเป็นสิ่งที่ย้อมจิตใจให้สัตว์ทั้งหลายหลงเพลิ่มไปตามมันจนลืมเนื้อลืมตัวแม้จะมีศีลธรรมอยู่ก็ไม่มองดูศีลดูธรรมมีแต่ประพฤติตัว เลยขอบเขตตะเลิดเปิดเปิงไปเพราะอำนาจแห่งตันแห่งราคะตันหานี่มันถุดมันล่าไป <c oughs> มีผัวหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมสนใจกับผัวนี้ไม่พอมีผัวคนนี้แล้วก็ไม่พอราคาตันหาไม่พอใจต้องไปหาผัวใหม่มาอีกผัวใหม่คนนี้ไม่พอหาผัวนั้นมาอีก หาที่แจ้งที่รับหาทุกจิงทุกอย่างด้วยอานาจแห่งราคะตันหามันพาให้สอบให้สแสวงหาไอ้เราพูดดิ้นไปตามมันก็ไม่มีเมืองพอได้มาจี่ผัวกี่เมียแทนที่จะอิ่มแล้วเช่นอย่างเรารับทานัวอิ่มเป็นข้งเป็นข่าวไปแต่เรื่องของกิเลตันหาในหญิงในชายนี้จะไม่มีคำว่าอิ่มพอได้มาเท่าไหร่ยิ่ง เป็นเครื่องเสริมไฟให้มีความรักความคึกความคํานองความคนองผาดโผลนโจรทะยานไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไม่มีฝั่งมีฝาคนไม่มีหลักค้ำหลักาหาอย่างอายนไม่ได้นี่ก็เพราะราคะตันหาทีนี้เราเป็นผู้มีศีลมีธรรมพอจะลึอกบาปหรือเ ล, ลือกบุญหระเลือกผิดหรือเ ล, ลือกถูกได้บ้างทำท่านสอนอยู่ เราได้นำมาปฏิบัติก็เริ่มมีขอบเขตไปถ้าผู้มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมก็มีขอบเขตไปมีผัวมีเมียก็มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างสามีปรญาตายใจกันได้เมียก็ไม่อำใจผัวให้กำเลิกด้วยการสอบแหวงหาสิ่งที่เลยเถิดเลยแดนผัวก็ เป็นที่ไว้ใจของเมียมีความเมตตาสงสารอนยาของตนอนยาก็มีความเมตตาสงสารสามีของตนแล้วต่างคนต่างรักษาหน้ําใจกันด้วยอํานาจแห่งธรรมมีขอบเขตุชาไฟน้ําราไฟก็ไฟในเตาคือสามีก็เป็นเตาของอนยาให้อยู่ในเตานั้นรักชอบอยู่ในเตานี้ ภรรยาก็ถือสามีเป็นเต่าอยู่ในขอบในเขตในเตานั้นเรียกว่าเป็นผู้มีขอบเขตมีศีลมีธรรมแล้วไม่สร้างความชั่วช้าละโมบขึ้นจากความทะเยอทะยานเพราะอานาจแห่งราคะตัณหานี่เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็กลายเป็นสามีภรร ย, ยาที่ชอบธรรมซึ่งโลกยอมรับกันโลกยอมรับกันด้วยความมีสาม มีผัวเดียวเมียเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะทาท่านแสดงไว้แล้วตั้งดึกดำบรรพการไหนไหนมาไม่ให้เลยขอบเขตอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่ากาเมสุมิฉาจานยาประหารล่วงล้ำเขตแดนของหญิงอื่นชายอื่นหรือลูกหลานผู้ใดก็ตามซึ่งไม่ใช่สมบัติของตอนให้อยู่ในกรอบแห่ง ความีสมเป็นสมบัติของตนนี่เท่านั้นเช่นภรรยา ก, ก็ยินดีในสามีของตนสามีก็ยินดีในภรรยาของตนเท่านั้นนอกจากนั้นไม่สนใจกับหญิงใดชายใดเพราะหญิงก็ดีชายก็ดีในโลกอันนี้มันมีเกลื่อนไม่อดไม่อยากเรื่องหญิงเรื่องชายทั้ง สัตว์ดิราชานเขาก็มีตัวกู้ตัวเงียมนุษย์เราก็มีหญิงมีชายทั่วโลกยินแดดเมื่อเอามาเทียบดูเหตุดูผลกันแล้วตามหลักของธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องก็ไม่มีอะไรจะทำกิตใจของเราให้กำ เ, กเริบเสศสารทเยอทยานมากไปกว่าสิ่งที่มีอยู่ของตอนสิ่งที่มีอยู่คืออะไรปัญญาเราก็มีสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ภรรยาของไถก็ตามหญิงคนหนึ่งมีครบบริบูรณ์ในอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้ชายคนหนึ่งก็มีอวัยวะครบสมบูร ณ, บรบรณ์บริบูรณ์ตามเพศของตนของตนแม้จะเป็นหญิงใดชายใดมามันก็ไม่ผิดแปลกจากสามีภรรยาของเราที่เคยมีต่อกันอยู่แล้วก็ไม่ตื่นแต้น ไม่ดีไม่ดิ้นไปหาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ก่อปืนก่อไฟหัวเขาหัว อ, อกกันนี่ท่านเรียกว่าปฏิบัติตนด้วยศีลด้วยธรรมสามีก็อบอุ่นตายใจกับภรรยาภรรยาก็มีความอบอุ่นตายใจกับสามีของตนมีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันไปที่ไหนไม่เดือดร้อนบุนไหวไปหาอยู่หากิน หารายได้ทั้งใกล้ทั้งไกลนอกบ้านในบ้านไปที่ไหนเราก็มีศีลมีธรรมภายในใจรู้แล้วว่าเป็นของเขาของเราเราไม่ไปยุ่งผลรายได้ที่เกิดจากการทำงานของเรามาก็มาเลี้ยงครอบครัวให้สงบร่มเยน็นอบอุ่นประจตามกันทางจิตใจก็ไม่กำเริบเพราะสามีแหวกแนวอันยาแหวกแนว ต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจรีบต่อกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนมีธรรมนี่แหละเรื่องมนุษย์เรามีธรรมถ้าไม่มีธรรมตะเลิดเปิดเปลืงหมาสู้ไม่ได้นะ่เพราะมนุษย์นี่ฉลาดมากทําได้ทุกแบบทุกฉบับ ก, การทําความชั่วช้าละโมกพิษานมากไม่มีใครเกินมนุษย์ แต่เมื่อมีสิ่งธรรมมาแล้วจะฉลาดในสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์โดยถ่ายเดียวสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมมนุษย์ผู้มีสิ่ธรรมจะงดเป็นโดยเด็ดขาดไม่เข้าให้เข้ามาแต่ต้องตัวเองได้เลยนี่เรียกว่าสิ่ธรรม <c oughs> นี่เราก็เป็นชาวปุตพี่น้องทั้งหลายเป็นชาวปุตควรที่จะรักษาสิ่ธรรมข้อนี้ให้แนบสนิทกับตนระหว่างสามีภรรญา อยาตะเลิดเปิดเปิดเสียหายมากทีเดียวและโทษอันนี้เป็นโทษที่หนักมากตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าโทษอันนี้ทําหัว อ, อกของอีกฝ่ายหนึ่งให้ อ, อกหักทีเดียว อ, อกแตก อ, อกหักเพราะเป็นความเสีย อ, อกเสียใจมากเป็นฝ่ายสามีทําภรรยาก็อกแตกภรรยาทำสามีก็อกแตก ความคิดความเครียดแค้นความ <c oughs> ทุกข์ความเดือร้อนไม่มีอะไรเกินเรื่องการกระทํากรรมประเภทนี้ได้เลยท่านจึงสอนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเรื่องกรรมมีรุนแรงมากทีเดียวเพราะความรักในโลกนี้ไม่มีอะไรรักเท่ารักสามีภรรยาสามีกับภรรยามีความรักความสนิทติดพันต่อกันเพนึกว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน จึงไม่มีการแตกการแยกไปไหนจากทางศีลธรรมต้องกลมกลืนกันไปตั้งแต่วันแต่งงานกันแล้วจนกระทั่งวันตายจากกันไปด้วยความซื่อสัตย์ผลิตต่อกันนี่เป็นเรื่องศีลเรื่องธรร ม, มปูน่นี้เวลาไปในพบหน้าชาาิหน้าผู้มีศีลธรรมวริงามด้วยกันมากจะพบกันอยู่เสมอในพบชาติต่างๆที่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแล้ว เพราะความมีศีลธรรมนี่แห <c oughs> ละเรื่องของอบาปของกรรมหนักตรงนี้มากทีเดียวตกนรกก็มันเป็นนรกที่แผดเผามากที่สุดนรกประหนึ่งว่าเป็นนรกพิเศษความทุกข์พิเศษความทรมานพิเศษอยู่ในผู้อยู่กับผู้ที่ล่วงเกินศีลข้อนี้แหละเพืพาให้กันระมัดระวัง น, น, นี่เรงเรียกว่า ราคาตันหานี่แยกออกมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังพอทราบ พ, พอเข้าใจกันว่าอะไรคือกิเลสความโลภ ค, คือกิเลสอารมณ์ขอ ง, ของความโลภทําให้เกิดความอยากได้อารมณ์ของความโกรธทําให้อยากโกรธเทียงแค้นอารมณ์ของราคาตันหาทําให้อยากส่อสแสวงหาหญิงหายชายไม่มีเวลา ตอนคลายไม่มีลายับยั้งทั่งตัวได้เลยนี่ท่านเรียกว่าความยากอันรุนแรงคือราคาตัญหานี่รุนแรงมากทีเดียวนะไม่ต้องมีใครเรียนธรรมชาตินี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนทุกสัตว์เกิดขึ้นมาหากรู้กันเองรู้กันเองไม่ต้องกาตั้งโรงนําโรงเรียนที่ไหนสัตว์ทั้งหลายก็สืบพันธ์กันมาจนกระทั่งปัจจุบัน ถ้าจะแหวกแนวว่างก็คือมนุษย์เราลงไปหาเรียนที่นั่นเรียนที่นี่อะไรอันนี้อย่าให้พูดไปมากนักหนาไม่เรียนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียงกว่าชี้เล็ดมันชี้เลดเหล่านี้แหละพาสัตว์ทั้งหลายให้ทําบาปกรรมกโดยไม่คํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีต้องมีศีลมีธรรมเข้าบังคับคนที่มีศีลมีธรรมเข้าบังคับ จิตใจแล้วใจิตใจจะมีเพิ่มน้ำหนักมีสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นฮีริโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายจะดีขึ้นดีขึ้นหนักแน่นขึ้นทุวันทุวันนี่หมายถึงว่าใจิตใจของเราที่ไม่มี อ, า, อาจมีทมทีแรกมันฟุ้งเฟอ้อเหมทีนี้เวลาเราได้รับการอบรม จิตใจของเราก็ถูกตีตล่อมเข้าสู่อาติธรรมดังที่ได้แสดงแล้วเบื้องต้นว่ า, าการอบรมภาวนา <c oughs> เมื่อเราอบรมจิตใจของเราซึ่งเคยคิดเคยปรุงตเตลิดเปิดเปลิงตลอดมาตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับถึงหลั บ, ลบทุกวี่ทุกวันนั้นให้เราทำใจของเราให้สงบด้วยธรรมธรรมนั้นมีธรรมบทใดที่จะนามาบูรีกรรม เรานํามาบริกรรมเช่นพุทโธหรือธรรมโมเป็นต้นนะให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นไม่ให้สมจิตไปสู่ที่อื่นที่ใดคิดเรื่องใดมากยิ่งกว่ามากคิดเรื่องคําบริกรรมคือพุทโธวุทโธมีสติบังคับเอาไว้ตามธรมรมดาของจิตมันจะอยากคิดเรื่องนอกซึ่งเคยคิดมาแล้วเป็นกําลัง เราบังคับเอาไว้ให้อยู่ในคำริกรรมเอาคำริกรรมเป็นน้าดับไฟดับลงไปจุดนั้นแ่ะจุดที่จิตมันชอบคิดชอบปรุงนั้นแหะให้คิดปรุงคำริกรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของธรรมนี่แทนที่ความคิดของเกลื่นซึ่งไม่หลับไม่ได้หลับได้เจนแต่คิดเรื่อยคิดป่วยไปอย่างนั้นละง้างความคิดประเพณนั้นให้จิตเข้ามาคิดคาว่าพุทธโธซึ่งเป็นอารมณ์ของธรรม แล้วจิตจะค่อยสงบเย็นลงไปสงบเย็นลงไปภายในใจของผู้ภาวนานั่นแหละนี่แหละคือรากแก้วของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกตรัสรู้หรือบรรลุธรรมด้วยการภาวนามีการระ ง, งับดับจิต ดับอารมณ์ของจิตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเข้ามาเป็นลำดับด้วยน้ำดับไปคือคำภาวนาการทั้งรวมระวังจิตท้องตนด้วยดีจิตจะปรากฏเป็นความสว่างสวยสงบร่มเย็นขึ้นมากับผู้ภาวนาด้วยบทธรรมต่างๆนั่นแหละนี่ละเรื่องจัดฉันนานะ่ะ ที่จะค่อยเด่นในจิตใจของชาวพุทธเราถ้ามีแต่ธรรมดาเฉยๆท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านถือพุทธศาสน า, าอย่างนี้จิตใจมันลอยนะไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดอันสำคัญสาคัญที่จะยึดจะถือไว้ได้นะถ้ามีภาวนาแล้วจิตใจของเราจะมีความแน่นหนามัน่นคงการทาบุญให้ทานซึ่งเป็นนิสัยของมนุษย์ ของชาวพุทธเรานั้นมีทั่วดินแดนและทุกภาคแห่งเมืองไทยของเราไม่ได้ทำหนี้การทาบุญให้ทานการเฉลี่ยเผื่อแพร่แก่กันและกันนี้มีด้วยกันแต่นี่มันเป็น น, นันเป็นนิสัยอันหนึ่งอยู่ในนิสัยธรรมดาของชาวพุทธแต่เมื่อผู้ได้อบรมจิตใจภาวนามีผลปรากฏขึ้นเป็นความสงบสุขร่มเย็นแ ก, ก่จิตใจแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการภาวนาหรือเกี่ยวข้องกับใจนี้จะมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ เ, เช่นการให้ทานมีความเจาะจงอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะเฉพาะการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาทุกสังทุกอย่างมีสติมีปัญญามีความเจาะจงในจิตการนั้นๆเป็นลําดับลําดาอันนี้ผลก็เพิ่มปูนขึ้นไปเรื่อยๆ การให้ทานของคนธรรมดากับการให้ทานของผู้ที่มีจิตตภาวนาะสงบและเย็นนี่มีน้ำหนักต่างกันบ้างต่างกันมากนะแล้วการให้ทานทั้งสองประเภทนี้แล้วผลก็ต่างกันนี่แหละท่านจึงสอนนะให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวภูตได้ชิมรสของพระพุทธ ศ, ศาสนาบ้างด้วยการภาวนา เพียงแต่เราเรียนตามตำราตำลานั้นใครๆก็เรียนได้เด็กก็เรียนได้ผู้ใหญ่เรียนได้ผู้หญิงเรียนได้ผู้ชายเรียนได้พระเรียนได้เนนเรียนได้จำได้ด้วยกันแต่ชื่อของอัดของธรรมส่วนธรรมแท้ๆที่จะเป็นผลขึ้นมาให้เป็นที่ดูดดื่มจิตใจของเ่านั้นเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ปากฏจะปากฏตั้งแต่ความติความจำยิงควรให้มีการ ปฏิบัติตนเองให้มีจิตสงบเย็นใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแล้วจะแปลกประหลาดขึ้นแสดงความแปลกประหลาดขึ้นภายในใจของผู้ภาวนานั่นแหละไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมรากฐานเป็นธรรมพื้นฐานพื้นฐานเป็นงานที่จะสมากสงผลขึ้นโดยลาดับตั้งแต่กิต มีความเริ่มสงบจากการภาวนาจนกระทั่งถึงมีมุดหลุดพ้นจะไม่นอกเหนือไปจากนิสตาภาวนานี้ได้เลยนี่แหละจิตใจที่ตั้งแต่ล่มลุกคลุกครานไม่รู้บากรู้วุ่ทุนโทษประการใดก็ตามแต่เวลาได้มาฝึกฝนอบร ม, มจิตใจเพรางพอการภาวนานี้จิตจะค่อยรู้เนื้อรู้ตัวมีความสงบงเย็นพอจิดสงบงเย็น แล้วจะปรากฏเป็นความสุขที่แปลกประหลาดขึ้นมาผิดกับความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่เคยมีความสุขประเภทที่แปลกประหลาดจากา น, านิจจภาวนาเลยในส่วนไหนๆก็ตามแต่เวลาเรามาภาวานาจิตของเราเกิดความสงบเย็นใจขึ้นมาขึ้นมานี่เรียกว่าได้ผลการภาวานาได้ผลคือความสงบใจเพราะอานาจแห่งคาบุญกรรม เป็นน้าดับไฟเอาคําบริกรรมทับความคิดความปรุงของเราซึ่งเป็นกิเลสต่ก่อนออกเอาความคิดความปรุงของธรรมนี้แทนที่เข้าไปมีสติจดจ่ อ, จอกับคํำบริกรรมแล้วจิตใจจะเย็นขึ้นมาไม่เหมือนกับความคิดที่เป็นกิเลสความคิดที่เป็นกิเลสคิดเท่าไหร่เป็นกิเลสมากน้อยมากน้อยเป็นลําดับแต่ความคิด ที่เป็นอารมณ์ของธรรมมีพุโทโธพุโทโธเป็นต้นกากับใจนี้จะสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่เรานี่แหละอารมณ์ของธรรมกับอารมณ์ของพิเลสจึงต่างกันอย่างนี้ความคิดเหมือนกันก็ตามแต่คิดอันหนึ่งไปทางกิเลสก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาคิดอันหนึ่งไปทางอัดทธรรมแล้วํำบริกรรมก็เปอารมณ์ของธรรมนามาคิดมาปรุงคิด อยู่ตลอดเวลาจิตก็ยิ่งมีความสงบเยน็นตลอดไปตลอดไปนี่แหละรากฐานแห่งพุทธศาสน า, าแท้อยู่ที่ตรงนี้นะให้พากันภาวนาบ้างนะถ้าไม่ภาวนาศาสนาก็จะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานตัวเจ้าของก็เป็นโมฆะ อ, อย่างนั้นตลอดจะอามาเก็บไว้ในตู้ในหีบของเราเป็นคัมภีร์คมภีร์ก็มีแต่คัมภีรใบลานเป็นกระดาษใบเบาๆตัวเราก็ ก็หาคุณค่าไม่ได้นั่นแหละถ้าเรานำทำเห่านั้นที่ได้ศึกษาแล้วเรเยียนมามาปฏิบัติต่อตอนเองสารคุณบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นจภายในจิตใจของเราเป็นลำดับลำดาจิตใจสงบคำว่าสงบนั้นคือสงบจากอารมณ์ของกิเลสที่เคยมาโยโยนก่อปวนแต่ก่อนเป็นอารมณ์ของธรรมเรียกว่าเอกคตารมเอกอะขะตาเ อ, เอกเอกตาจิต มีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์อันเดียวได้แต่ความสงบเย็นอยู่ภายในใจนานท่านเรียกว่าจิตสงบชมเอข ก, ะกะตาจิตเอข ก, ะกะตาลงได้สําหรับผู้ภาวนานี่อันได้ที่แจงให้พี่น้องหลายทราบเพราะนานๆจะได้ยินทีหนึ่งเรื่องเทศเรื่องกิตติภาวนาส่วนมากก็ไม่ว่าท่านว่าเราเทศตามตำลับตำร่าเล่านิทานกันไปนแล้ว เพลินไปตามไปเพียงตอนนั้นจะมาเป็นคติตัวอย่างแก่ตนเองเพื่อให้มีแก่ใจบําเพ็ญ <c oughs> จิตใจให้ดียิ่งขึ้นไม่ค่อยมีแต่การภาวนานี้มีได้ไม่สงสัยเวลาได้นํามาภาวนาแล้วจิตมีความสงบร่มเย็นเพียงเราภาวนาในคืนวันนี้ก่อนจะนอนเราภาวนาจิตของเรามีความสงบร่มเย็นจนกระทั้งแปลกประหลาดขัศจันท์ภายในใจ ในขณะที่ภาวนาเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้ววันหลังจิตจะเป็นอารมณ์กับการภาวนาของเราที่ได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วมาแล้วจากนั้นก็เกิดความดูดดื่มมีแต่ใจที่จะภาวนาเพิ่มความหยดีความดีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีนี้จิตใจของเราก็มีความแน่นหนามั่นคงนนไม่ว่าแฝกคอนแพนเรื่องฮิริโอตตปา ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมหากระบอกหากกระเตือนภายในใจตัวเองว่าควรหรือไม่ควรผิด ก, กันกับที่เราไม่เคยภาว น, นามาแต่การไหนๆนะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่คการภาว น, นาพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกจากการภาว น, นาพระสงฆ์สาวกที่เป็นสารณะของโลกมา เ, เพาะอํานาจแห่งการภาว น, นา เราเป็นลูกชาวภูฏือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะควรที่จะนําสารณะนั่นเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจของตนจะมีความสงบร่มเย็นคําว่าใจสงบนี่เป็นพื้นฐานอันหนึ่งเท่านั้นนะเวลาเราทำไม่หยุดไม่ถอยปิดนิ่งความสงบนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอืมและความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็จะแสดงขึ้นมาภายในใจ แล้วสว่างสวัยขึ้นที่ใจนี่แนหะคำว่าใจสว่างสว่างจากการภาวนาของเราแล้วมีความสงบเยือกเย็นมีปีติยินดีเวลาผุดถอนขึ้นมาแล้ววันหลังมีความพอใจที่จะภาวนาต่อไปโดยลําบับลำดานี่ละการภาวนาเพิ่มคุณ ง, งามความดีประเภทต่างๆขึ้นอีกเยอะนะถ้ามีแต่รำเนียมเป็นธรรมเนียมของเราที่เคยทําบุญให้ทานรักษาสิ่งนี้ ผลไม่ค่อยประจักษ์ภายในใจเหมือนภาวนาเลยแต่การภาวนานี่มีผลหลายด้านหลายทางการให้ฐานก็หนักแน่นการรักษาศีลหลักแน่นเพราะใจหนักแน่นด้วยศีลด้วยธรรมในกาจากการภาวนาของตนเนี่ยหลักฐานในพุทธศาสนาจึงอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การภาวนานี่คือลากแก้วของพุทธศาสนาขอให้พากันปฏิบัติเพราะความทุกข์นั้นมีด้วยกันทุกคน ไม่ว่าหญิงว่าชายว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยนะแล้วพูดเฉพาะมนุษย์นะอยู่ที่ไหนมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากลำบนแต่กิเลดมันกบเอาไว้มันกรอบเอาไว้ไม่เห็นความถูกให้กลืนจินอยู่ในท้องเหมือนว่ากลืนน้ำลายตัวเองลงไปในท้องตัวเองไม่ให้ถมออกไปข้างนอกไม่ถมน้ำลายไปนอก ใครเป็นขึ้นมาก็ความทุกข์มากน้อยก็กลืนลงไปในใจกลืนลงไปในใจเหมือนตื่นน้ําลายนะจากปากตัวเองเข้าสู่ใจใครๆก็ทราบ ม, มาได้ว่าเป็นความทุกข์มากน้อยเพียงใดต่างคนต่างกลืนความทุกข์เข้าสู่ใจสู่ใจตลอดเวลาเอาทำนี่เป็นเครื่องจับได้ไม่สงสัยเลยอทำจับได้หมดเลยในเรื่องความทุกข์ของสัตว์มีมากมีน้อยเพราะกิเลสเป็นสาเหตุ ให้ได้รับความถูกนั้นทําจะจับได้อย่างกระจ่างแจ้งทุกอย่างนี่แหละสมกับที่พระที่เจ้าว่าโลกมิถูกทรงรู้แจ้งโลกแจ้งสงสารท่านรู้ภายในพระไทยจริงเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานความรู้ความเห็นจริงจะเด่นชัดพระองค์เด่นชัดพอแล้วทุกอย่างนํามาสั่งสอนโลกด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งทุกแง่ทุกมุมวิละเอ จ, จะมีอยู่มากน้อยเพียงใดในหัวใจของสัตว์โลกก็รู้ สัตว์โลกมีความทุกข์ความทรรารุณเพราะอำนาจของกิเลสที่มันทํางานอัตโนมัติเผากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกแห่งโหนตําบุหมู่บ้านทั่วโลกถูกสงสานพระ อ, องค์ทร ง, งทราบหมดนี่แต่พวกเรานั้นทราบโดยการก็ไม่พูดให้กันฟังนะเนื้อ อ, อุบอุบอิบอิบไว้อย่างนั้นอ่ะให้อยู่ภายในจิตใจความจริงแล้วความทุกข์มันระบาดกระจายทั่วหัวใจทุกสัตว์โลกนั่นแหละแต่มาพูดถึงเฉพาะมนุษย์เรา เราจะเที่อกี้เนี่มันหาเครื่องหลอกมาหลอกเราให้หลืมเมื่อลืมตัวใหต่างคนต่างตื่นกันไปนะมมันเอาอันนั้นมาประดับเอานี้มาประดับเอายศถาบรรดาศักมาประดับเอาความมั่งมีสีสุกมาประดับคนนั้นมีนั้นคนนี้มีนี่คนนั้นมียศถาบรรดาศักคนนั้นมีบริษัทบริวารมากมีเงินทองเข้าของมากเลือกสวนในนาไม่อดไม่อยากตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมด นี่คนนี้เขามีความสุขความสุขที่มาอะไรภาษาอิตภาษาปูนภาษาหิงทายเท่านั้นแล้วเงินก็เขาสมมติเป็นกระดาษหลังไหลลายนั่นตั้งขึ้นมาเพื่อความสะดวกแก่มนุษย์ซึ่งอยู่ร่วมกันได้ประสมประสานเปลี่ยนแปลงซึ่งกันกันได้เป็นความสะดวกสบายใช้ตามความจำเป็นที่เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบตัติต่อกัน ไม่ลุกลามจนเกินไปกลายเป็นกิเลสอันมันใหญ่โตมโหสถขึ้นมาจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวใครมีเงินทองก็ขอมากน้อยแล้วก็เยอะยิงจองหองของตัวว่าตัวมั่งตัวมีไปที่ไหนนี่โหเบ่งเนี่เห็นไหมละ่ะกิเลสนะ่ะพาให้เบ่งนะภาษากระดาษมันก็ยังเบ่ง้กิเลสนั่นกังกิลานี่แหละเรื่องของกิเลสเแล้ว ความทุกข์ความทรมานอยู่ในหัวใจนั้นอยู่ลึกๆึกลับๆเศรษฐีก็ไม่อ่ายิ่งเศรษฐีมีเงินมากเรื่องยุ่งมากยิ่งกว่าเรามีความทุกข์มากยิ่งกว่าเราไปไหนๆนี่เอาทำรรเข้าไปจับพูดแบบไม่ลำเอียงพูดอย่างตรงไปตรงมาเรียกว่าภาษาธรรมมีอยู่อย่างลึกลับเก็บไว้ลึกๆในหัวใจกลืนเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นมากๆก็กลืนเข้าไปในท้องในหัวใจตัวเองเสีย เหมือนเขาขื่นนำลายขื่นน้ำลา ย, ลลายไม่ถ่มปู๊บปุ๊บปีตปีตนะทีนี้โลกทั้งหลายก็ไม่เห็นที่ว่าใครเป็นทุกข์เห็นกันก็มีแต่งตัวโอหรูยิ้ ม, ยมแย้มแต่มใสนั่งรถโกงรถเก่งรถพืนรถไฟเครื่องใช้ไม่สอยรู้หลาฟู่ฟ้ามาหอคนนี้เขาเป็นคนดีเขามีความสุขความเจริญโอยนะอาศรจรรย์หัวเออาชจรรย์เขาอาชจรรย์ขี้หมาหลาประสายเหล็กเ รถนั่นกับอันหนึ่งอันหนึ่งต็เหล็กเท่านั้นเองก็มาทําแล้วทำเบาะทําอะไรนั่งให้เป็นที่วสวยๆออม า, าก็ไปตื่นเบาะอยู่แหบเบาะก็สวยอันนั้นก็สวยอ น, นี้เลยสวยหมดถ้าเป็นเรื่องของกเกลียดความลืมเนื้อลืนตัวนี้ไม่มีสิ้นสุดนี่ความจริงแล้วความทุกข์มันมีอยู่ด้วยกันนั่นแหละเฮ ไม่ว่าใครจะเป็นใครการพูดตั้งนี้ไม่ได้ดูถูกเหยียยามโลกนะเอาความจริงออกมาพูดว่าโลกจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันยอมรับกันว่าเป็นทุกข์เหมือนกันอย่างนี้การพูดตามหลักความจริงจะผิดไปที่ตรงไหนจึงบอกให้รู้เรื่องรู้ราวว่าไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวจนเกินไปเนี่ยการสอนเพื่อกระตุกให้อย่าอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปเอาการศึกษาเราเรียนจะได้มากมายน้อยแล้วเรียนมาจํามา แล้วนํามาปฏิบัติหน้าที่การงามตามหลักพิชาของเราที่เรียนมาอย่าโอ้อาอย่าฟู่ฝ่าอย่าลืมเนื้อลืมตัวแล้วนําหลักพิชามาสังหารตนเองด้วยความประพฤติผิดแล้วยังสตัตาดระบาดสากรจายไปให้เกิดความดัร้อนแจ่คนอื่นอีกนี่ก็เป็นเรื่องวิชาของที่เล็กมันก็ทําไปได้ทุกแบบทุกบทนี่ให้เราพิจารณาอย่างนี้นะนี่พูดถึงเรื่องการภาวนาจิตใจของเรา เกิดความดักร้อนเต็มทุกจอบย่านั่นแหละแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรแล้วจะแก้ไขดัดแปลงกันอย่างไรก็ยอมทนกันอยู่ในหัว อ, อกของทุกคนทุกคนไปที่ไหนที่ไหนมีแต่ทุกอยู่ในหัวใจใครจะขึ้นบนฟ้าบรอากาศที่ไหนทกิเหลกมันอยู่บนหัวใจไปอยู่บนฟ้ามันก็ไปทุกอยู่บนฟ้าไปที่ไหนมันก็เป็นทุกอ ย, กกอยู่เพราะจิตใจ ถูกกิเลสบีบวี่สีไฟยอยู่ทุกแห่งทุกผลตําบลหมู่บ้านสัตว์โลกอยู่ที่ไหนมันจะมีความเดือดร้อนอยู่ที่นั่นที่นั่นเป็นแต่เพียงว่าไม่ระบายออกแล้วปะหนึ่งว่ามีความสุขต้งมีความมีความทุกข์แต่เราโลกทั้งหลายเขาเป็นสุขไปหมดนี่ก็ให้กิเลสหลอกอีกมันจะถูกที่ตรงไหนกันลงชื่อว่ากิเลสได้ความโลภความโกรธราคะตัณหาได้เหยียบย่ําทําลายอยู่ในหัวใจแล้วเอาอะไรมาแก้ก็ไม่ตก แมเราจะเอาเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านเป็นกี่ล้านล้านหรือรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นคข้ามาล้างข้อมก็ไม่ลบล้างเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดล้างเท่าไหร่ก็ไม่ลบถ้าไม่เอาสีลเอาธรรมเอาทัศน์ธรรมปัญญาธรรม เ, เข้าไปลบล้างพิจารณพิจารณาให้ควรในสิ่งที่ตนอาศัยแล้วก็ไม่ลืมเนือ้อเหลืองตัวมีก็ยอมรับว่ามีไม่ลืมตัวเอาถึงเวลาจนก็โลกนี้เป็นโลกคนนี้จันมันก็ต้องตรงเป็นธรรมดา แ ต, ต่จิตใจที่มีอาตมีธรรมอยู่ภายในตัวเองนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ร่องเย็นเป็นสุขสบายรู้เนื้อรู้ตัวถึงการจะเป็นจะตายก็รู้เหมือนกับโรค ท, ทั่วไปเท่าแก่ชราก็เออนี่เราแก่เราหน้านี่นะ อ, อห้สรีตสร้างคุณงามความดีทําบุญให้ทานเถอะตั้งแต่วันนี้ตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมาคุราธรรมมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนเราสร้างเองนะ การสร้างเองบุญกุศลด้วยบุญดกุศลเท่านี้เป็นที่แน่ใจแน่ใจยิ่งนิมนตพระมกุศราแล้วก็ยิ่งได้บุญได้กุศลเพิ่มเข้าไปอีกนี่ให้คิดอย่างนั้นทีมนุษย์เรานี่มันไม่ได้คิดนี่ไปที่ไหนมีตั้งแต่คืนน้ำลายคืนน้ำลายเข้าในท้องคืนน้ำลายในท้องในท้องมีแต่ความตรุษทุกอยู่ในโลกในโอกไม่กล้าพูดสู่กันฟังเพราะใครๆมันก็เหมือนกันหมดในโลกอันนี้ นี่ละเอาํำมาเปิดให้พี่น้องหลายฟังว่าจะอยู่ลึกขนาดไหนก็ตามที่เหลืบีบีสีไฟหัวใจสั่นโลกทาจะสองทะลุไปหมดเลยแล้วนำมาเทศนาว่าการได้ดังพระพุทธเจ้าของเราเทศสอนโลกแงนรนกปวีจีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงได้รู้ได้เห็นได้ทุกอย่างทำไมมนุษย์เราอยู่คื้นดินด้วยกันจะทรงรู้ทรงเห็นไม่ได้และสอนมนุษย์ไม่ได้ละถ้ามนุษย์มีความพอใจที่จะปฏิบัติ โดยเหตุนี้การปฏิบัติทางด้านพิดตภาวนาจึงเป็นของจําเป็นมากควรที่พี่น้องชาวพุทธเราจะได้พุทโธตัโมสังโฆติดใจไปที่ไหนก็ไปเถอะเราคิดเรื่องอื่นเรื่องใดคิดได้ทั่วโลกวินแดณไม่เห็นมีอะไรเป็นอุปสรรคแต่เราจะคิดพุทโธทําไมคิดไม่ได้พุทโธก็คือความคิดแต่คิดไปทางอัตต์ทางธรรมยังเป็นของดียิ่งกว่าความคิดของกิเลสพาทะเลตอะไรนั้นสิทำไมเราจึงคิดไม่ได้ขอให้คิด ไปที่ไหนเราทําการทํางานเรานึกพุโทโธนึกในธรรมภายในจิตใจทําได้ทางนั้นสังขาร น, นี่สังขารธรรมคือสังขารของคนฝ่ายสมุทรไทยสมุทรไทยไปใช้ได้สังขารของฝ่ายมากคือทำก็นํามาใช้ได้เมื่อเราพอใจที่จะนําสังขารมาจิตมาปรุงทางบุญทางอุปสมทางหน้านอดธรรมเหมือนอยู่กับด้วยกันอยู่ในใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละอย่าพากันตื่นเมื่อตื่นแจ้ง ปีเดือนมันมีมาตั้งกับตั้งการเมื่อแก้งมีมาจี่กับกี่กันตื่นหาอะไรปีเดือนหาสุกเฉ้าอาทิตจันทังขานพุทธชั่วจะรูข้ขานธรามาลงมาเสียงก็ตั้งขึ้นไปมีแต่เมื่อกับแจ้งตรงนั้นแหะผัวที่จมคือเรามันมีสามนวตที่ไหนแล้วเราถ้าทําชั่วลงไปตายก็คือเราไม่เห็นมีเสาเมีอทิตยที่ไหนมันตายได้เปิดได้ตายได้ทุกได้ทั้งนั้น ส่วนชาวอาทิตย์อังคารถ้าไม่เห็นเป็นทุกข์เป็นลําบากลาบนตกนรกอเวจีติดคุกติดตารางเหมือนมนุษย์ที่ตัวเก่งๆหาตั้งชื่อตั้งนามไอ้เขานี่เลยเนี่ยเรามันไปตั้งแต่ข้างใยนอกเสกสรรตั้งแต่ภายนอกตัวของเราเองเกิดขึ้นมาสี่ปีสีเดือนไม่เคยสนใจกับอัดกับทำรรกับบุญกับกุศลตายแล้วจมตายแล้วจม ย, ยังไม่เฉดไม่ลาหลือยังจะ สั่งสมความไว้ดีทั้งหลายนี่เข้าสู่นิสัยชั้นดานจะฝังจมก็ด้วยความทุกข์ความเดอร้อนเป็นบาปเป็นกรรมเต็มเนื้อเต็มตัวตลอดไปนะให้พากันอุตสาห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินี่พูดถึงเรื่องทิตฐิาภาวนาให้เป็นหลักเป็นเกณฑแต่พี่น้องขณะได้ฟังทั่วหน้ากันนี่คือแก่นของพระศาสนาแก่นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่นี่เกิดที่นี่ทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการภาวนาอันนี้ก็ได้อุตสาห์พยายามปฏิบัติธรำมา ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ได้สอนเต็มเว็เต็มหน่วยเฉพาะการช่วยชาติบ้านเมืองนําสมบัติเข้าสู่พังหลวงนี้เราก็ได้ไม่ได้คิดแต่คาดว่าจะได้แนะนําสั่งสอนพี่น้องชาวไทยแล้วทุกแห่งทุกโหนําบดทุ่บ้ววววานทั่วประเทศไทยมันก็ได้สอนกันอย่างนี้เราจะให้ทําไงแล้วควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้างขอให้นำไปคิดไปอ่านนะอย่ามีแต่ท่านเทศนนาว่าการ ลมๆแรงๆเป็นลมปากหายไปแล้วเราก็หายไปกับสิท่งที่ทำรรไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวสิ่งที่ติดก็มีแต่ความโลภความโกรธลาค้าวตังหาซึ่งเป็นคุณเป็นไฟเคยเผาตัวมาแล้วไปเผาตัวอีกต่อไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะพากันประพปฏิบัติเรื่องใจเป็นของสําคัญมากที่เดียวเร็วก็สุดในใจอดีก็สุดอยู่ที่หัวใจความสุขอันเลิศเลอก็สุขที่หัวใจความทุก แบบขาดสวรรค์นั่นแหละก็อยู่ที่หัวใจที่สร้างแต่บากแต่กรรมความสุขที่เลิศเลอก็อยู่ที่หัวใจผู้สร้างคุณนามกล่อมดีย่างท่านถึงมีมูลพันธ์ผ่านความสุขความทุกข์ทั้งมวลอย่าว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่มีตามดินฟ้าอากาศทั่วทัวไปหมดสามเดือนโลกธาตุไม่มีสุขมีทุกไปหาหลบหาซ่อนอยู่ที่ไหนหรือสร้างตึกรามบ้านช่องอยู่ไม่มีอยู่ที่หัวใจของศัสตร์โลก นี่แหละเผาอยู่ที่นั่นนะความทุกข์เผาอยู่ที่หัวใจความสุขก็ลื่นเลิงอยู่ที่หัวใจเพราะงั้นจึงขอให้สร้างความดีไว้ในเวลาที่มีชีวิตอยู่อย่าอยู่ไปเล่นๆด้านๆถึงวันตายก็ตายไปเลยว่าตายเกิดตายเกิดมันก็เหมือนกับสัตว์ตายไม่เห็นเกิดเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความมีบุญมีกุศลตายด้วยความมีอัตมีธรรมปันจนี่เรียกว่าตายดีตายมีคุณค่า ตายเลิศตา ย, ตายดังพระพุทธเจ้าพระหรหันท่านตายท่านมันยากนะพระพุทธเจ้าพระหรหันท่านท่านพอแล้วนั่นเราเห็นไว้จิตใจเมื่อเลอิศแล้วอยู่ที่ไหนก็เลิศอยู่ในป่าในเขาเลิศอยู่ที่หัวใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วถ้าหัวใจไม่สิ้นกิเลสเอาไปรสร้างตึกรามบ้านช่องขึ้นแข่งกับชั้นดาวดึงบนสวรรค์มันก็เป็นทุกข์อยู่ที่หัวใจที่มีกิเลสมีวิสีไฟอยู่นั่นแหละหสร้างหัวใจให้ดี เมื่อสร้างหัวใจให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนมันจะเลิศอยู่ภายในใจนี่แหละอนี่แหละความทุกข์ทั้งมวลอยู่ที่ใจความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจขอให้แก้ไขดัดแต่งใจถ่ายทอดความทุกข์ทั้งหลายเพราะการทําบาปตําๆนี่ออกการทําบาปตำตำให้ลดลงลดลงลดล ง, ลดลงแล้วสร้างความดีมากขึ้นมากขึ้นจิตใจจะเปลี่ยนแปลงลดท่าขึ้นมาเป็นลําดับ การทําบาปที่เป็นความทุกข์ความส难นนมาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขความเจริญขึ้นที่จิตใจของเราเราจะมีความสุขความเจริญต่อไปอย่างนี้แนะ่ะให้พากันจําเอานนะหลวงตาชื่อจริงๆแนะนําสั่งสอนโลกเราไม่ได้สั่งสอนด้วยเหตุ <c oughs> <c oughs> ผลกลไกอื่นใดนอกจากทำล้นลวนๆและความเมตต า, ล, าล้วนๆสอนโลกสอนอย่างนั้นจริงๆการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจ รังทำมาผู้ทีเจ้าท่านสอนไว้อย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแต่พราะอย่างนี้เข้ามาจิตจุตะตะจิตตะภาวนาการภาวนาอยู่ในปา่าในเขาชําระจิตใจนี้เวลามันมืดมันก็มืดเวลาชาระหลายครั้งไายหงดไม่หยิบไม่ถอยก็ค่อยสว่างสวัยขึ้นมาจงายเป็นจิตที่มีความสว่างสวัยอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายภายในหัวใจของผู้บำเพ่ญเกิดขึ้นได้ด้วยการทุกพล น, นั้นน่ย บุญกุศลมรคนี่ผ่านไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอย่าให้ทิ่เด็ดมันหลอกลวงน ะ, ะถ้าบัมถ้าจะบัมเพนคุณงามความดีก็บาปไม่มีบุญไม่มีทําไปทำไมนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีกลัวหาใด ไ, ไปสวรรค์สวรรค์ไม่มีอยากไปสมัยมีที่เด็ดหลอกหัวใจสารโรคผูโง่เขานั่นแหละแล้วก็สร้างตั้งแต่ความทุกข์ทาโง่เอาฝืนเอาไฟบาปน้ำมาเผาหัวใจจนดิน ตายแล้วตายแล้วจมแล้วจมแล้วไม่มีความเฉลียหลาดอิ่มพอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วให้มีความเฉลียหลาดอิ่มพอในกองทุกทั้งหลายต่อไปเราก็ได้มีความสุขความเจริญพานักกิจใ จ, จเฉพาะอย่างยิ่งที่ต่ภาวนาขอพี่น้องหลายได้นําไปปฏิบัติจะเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองนะไอ้ที่ท่านแสดงไว้ว่าพวกเปรพวกผีสัตว์นรกอะไรไรนี้ให้เราจับจุดนี้ให้ได้นะ การภาวนานี้เป็นจุดสําคัญที่สามารถจะรู้ในสิ่งทั้งหลายได้ดังแบบที่เจ้าทรงรู้ทรงเห็นและมาสแสดงธรรมแก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้แหละนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอเอโเหนื่อย